ความเจริญในธรรมจงมมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณได้นำเสนอธรรมปฏิบัติที่พระโพธิสัตว์ทรงศึกษาประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะได้สัรสรุออนุตรสมาสัมโพธิญาณมาโดยดำๆๆลำดับในข้อต่อไปนั้นได้ รับสั่งเล่าถึงธรรมที่ทรงอบรมอย่างมากรึงอนที่จริงธรรมะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของอิทธิบาททั้งสี่ประการซึ่งเคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองแต่วันในที่นี้ทรงเน้นที่ความเข้มข้นมากขึ้นโดยโครงสร้างที่รับสั่งเล่าก็ใช้แนวเดิมถือเป็นการยืนยันถึงยุคสมัยที่ สรงพิจนาหรือท่งปฏิบัติเยมันเป็นช่วงที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัตรูแล้วก็ทรงอบรมทำให้มากแล้วซึ่งทำห้าอย่างทำห้าอย่างคืออะไรบ้างก็คืออบรมอิทิบาททั้งสี่ประการในความเป็นอิทิบาทก็เคยพูดมานานแล้วว่าเวลาเรียกเต็มๆจริงๆ แตะเรียกว่ามีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจตระนูลมารีเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานนสังขารคือหมายความว่าความพอใจในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมันมีความสงบอยู่ในสิ่งที่พอใจแล้วก็มีความเพียรพยายามเพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่พอใจ เพราะในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีความเพียรกับสมาธินี่เป็นหลักอยู่แล้วก็ถูกกากับโดวยวิมังสาคือปัญญาในการสร้างความพอใจก็ดีในการใช้ความเพียรก็ดีในการแสดงเจตจำนงความมุ่งมั่นตลอดถึงการใช้ปัญญาพิจารณาสดสองก็รับสั่งว่าและมีความเพียรประมาณโดยยิ่งเป็นที่ห้า มาความว่าความเพียรที่เข้มงวดเกิดขึ้นไปโดยดำดับเช่นสมมติว่าฉันทะคือความพอใจเนี่ยมันยังบุบวาบยังขึ้นนลงๆยังขาดความต่อเนื่องมันก็เพิ่มปริมาณความเพียรเข้าไปเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะนำจิตเข้าไปสู่สิ่งที่ตนพอใจแต่ให้มีความต่อเนื่อง หมายความว่าเพียนเพิ่มปริมาณของความพอใจขึ้นในเรื่องนั้นๆแต่ในขณะที่ใช้ความเพียนพยายามก็ต้องมีวิมังสานะคืต้องมีปัญญาเข้ากำกับอยู่ตลอดแล้วพอมาถึงวิริยะซึ่งเป็นตัวความเพียนอยู่แล้วนะวิริยะแปลว่ากล้าหาญโดยใช้คำหลายคำ บางครั้งแปลว่าอุทนะแปลว่าความเพียรเป็นตุึืนทำการงานในที่นี้ก็ส่งใช้คำว่าความเพียรมีประมาณโดยยิ่งมาความมาเพิ่มปริมาณความเพียรเข้าไปในตัวความเพียร น, นั่นแหละเพียร น, น้อยเป็นหน่อยเพียรหย่อนไปหน่อยเพียรยังแกวง่งยังสับสนก็เพิ่มความเพียรพยายามให้เราสังเกต ต, ตอนที่ ทรงต้องการจะศึกษาเรื่องเนเทวดาก็ไปเร่งที่ธรรมะสามข้อคือความไม่ประมาทความเพียรมีความมีตนส่งไปอยู่แล้วก็เพิ่มอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นภายในจิตเรื่อยๆเกิดตาดูแลคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารนะอาหารที่บนโต๊ะนั่นแหละมารับประทานขึ้นไป อิ่มก็เพิ่มขึ้นความหิวก็ลดลงเรี่ยวแรงก็เพิ่มขึ้นความปอดเพียก็ลดลงเพราะที่จริงก็อ่านนั่นแหละธรรมะในพาคสนามเนี่ยไม่ได้มากมายกับกองอะไรเพียงแต่ว่าก็จะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเองประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่มีจุดเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดี ว่าได้สติสัมมาัญญะความเพียรศรัทธาพวกเนี้ยคือคือพูดง่ายๆว่าพวกอินทรี่ห้าเนี่ยพวกอินทรี่ห้าข้อเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเพราะว่าปัญหาบางอย่างเรามองได้ไม่ตลอดสายก็ต้องใช้ศรัทธาแต่ไม่ใช่เชื่อเฉยๆเื่อคลึ้นๆไปเฉยๆโดยไม่ลงมือพิสูจน์ทดสอบประพฤติปฏิบัติ แล้วแต่เรามองเอาเอาใกล้ๆเนี่ยเอาเอาธรรมคุณมาดูเราจะเห็นว่าในความเป็นธรรมคุณนั้นมีคำว่าเอฮิปัสิโกโอปนายโกปัจจต่างวิถีจบจบปจจตัางวิตีบจบอยช่ทีเอฮิปัสิโก e ก็เคยเชิญชวนชักชวนมาดูมาพิสูจน์มาทดสอบมาลงมือประพฤติปฏิบัติมาวิเคราะห์เราจะเห็นว่าตรงนี้อิทธิบาตก็ต้องเดินนะต้องมีความพอใจในธรรมะข้อนั้ น, น, น พอใจในเรื่องอะไรล่ะพอใจในเรื่องที่จะพิจารณาโดยถึงสภาวธรรมของสิ่งเดล่านั้ให้มันไปจากแจ้งแก่ใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมเป็นทุกจริงไหมเป็นหน้าตาจริงไหมแล้วจนเห็นเกิดขึ้นภายในใจจนสามารถลดตัณหามาณทิฏฐิลงไปคำว่าเห็นของท่านก็คือลดตัณหามาณทิฏฐิถ้ายัางไม่ลดก็แสดงว่ายังไม่เห็น อางทเคยกล่าวเรื่องปริญญาสามว้ในวันก่อนพอมาถึงปริยญาอีกคือความเพียรเนี่ยมันก็เพียร น, นั่นแหละแต่ว่ามันยังย่อหย่อนยังไม่ได้เป็นไปคือยังไม่ประสานสดคล้องกันเพราะว่าในภาคของการปฏิบัติเนี่ยลองสังเกตว่ามันมีความเพียรมีสมาธิอยู่นะฮะลองลองอก็มีสมาธิอยู่แล้วก็มีความเพียรอยู่ มีความมุ่งมั่นจิตตะเนี่ยคือจิตใจที่จดจอ่อก็อาเป็นอาการของสติแล้วก็มีมังสาก็เป็นอาการของปัญญามันแสดงถึงพลังของความเชื่อมั่นแม้จะไม่พูดเนี่ยตัวฉันทะเนี่ยมันก็คือตัวตัวศรัทธาอยู่แล้วทำหน้าที่เหมือนกับศรัทธาให้ลองสังเกตว่า ถ้าเรามีความพอใจถ้าเรามีความเชื่อมั่นถ้าเรามีความรักถ้าเรามีความเมตตาถ้าเรามีความพักดีแต่รวมความเคารพอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นพลังในการที่จะนําจิตเข้าสัมผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปโดยลําดับเพราะในที่นี้จึงตัวฉันทะมันก็ต้องถูกประคับประคองโดยพี่มังซา เพราะท้าไม่อย่างนั้นแล้วบางทีอาจจะมากเกินไปบางทีอาจจะน้อยเกินไปบางทีอาจจะแกว่งอันนี้ก็อยากได้เ น, นี่ก็อยากได้นกก็อยากได้เพราะทำนองคล้ายๆกับคนเข้าไปในห้างสรรพสินค้านี่สายไปสายมาไปเรื่อยๆเพราะว่าความพอใจนั้นสับสนอยากได้ไปหมดแต่ว่าเงินไม่มีมากพอที่จะซื้อเพราะมาถึงวิริยะมั น, ก, น, ก, นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นคือเพิ่มความเพียร ให้มากยิ่งขึ้นจิตตะก็เพิ่มความเพียรให้หนักแน่นมากยิ่งกลองกลายเป็นการประสานกันความพลังของฉันฉันทะกับพลังของปัญญานั้นหนุนช่วยกันพลังของความเพียรกับพลังของสมาธินี่ก็หนุนช่วยกันแล้วก็มีธรรมะคือสตินี่เกิดขึ้นเป็นอุปการะรับก็ควบคุมทิศทางในการประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไป ไม่ยิ่งแล้วก็ไม่หย่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าความเพียรมันมากไปในขณะที่จิตใจอย่างไม่สงบมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าสงบมากไปโดยความเพียรหย่อนมันก็กลายเป็นหลับมันก็ยุ่งยุ่งอย่างเงี้ยเพรางั้น เป็นการตรวจสอบทดสอบลองสังเกตว่าเป็นแนวของการทดสอบตรวจสอบไปเรื่อยๆแก้ไขปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เพราะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ระดับจัตุรูเป็นระดับศึกษาค้นควา้าวิเคราะห์วิจัยหาทิศทางในการที่จะหยุดกระแสของกุศลเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยก็หยุดกระแสกุศลเอาไว้อย่าให้มันมีปริมาณเพิ่มมากเกินไปแล้วก็รับสั่งต่อไปว่า เพราะการที่เราได้อบรมทำให้มากในธรรมมีความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่ห้าเราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อธรรมใดๆซึ่งควรทำให้แจ้งโดยปัญญาอยิ่งเพื่อทาให้แจ้งโดยปัญญาอยิ่งแล้วในธรรม น, น, นั้นเราได้ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำให้ทาได้จนเป็นสักิปยานในขณะที่อายะ ในในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ น, นี้ก็สำนวนบารีนิดหน่อยนะฮะคือหมายความว่าทรงมีเป้าหมายอยู่เป้าหมายในตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าทรงตั้งไว้ระดับใดก็ใช้ความเพียรเนี่ยเป็นพลังในกา ร, รขับเคลื่อนความเพียรโดยยิ่งคือฉันทาริยจิตตาวิบังศานะฮะล้วก็ มันใช่ตัวความเพียรอย่างยิ่งยวดเป็นตัวผลักดำคือถ้าเราดูเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยมีความเพียรอยู่สองเพียร์นะมีความเพียรในข้อที่สองก็มีความเพียรในข้อที่ห้าทำให้นึกภาพที่เป็นรูปธรรมเหมือนกับรถจักรรถไฟนะรถไฟที่มีรถจักรลากก็มีรถจักรดนันในกรณีที่มันขึ้นที่สูง ในตัวลากนั้นอาจจะมีกำลังไม่พอก็มีตัวหลังก็ไปช่วยดันความเพียรที่ส่งประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเข้าไปกำกับทั้งปัญญาทั้งวิริยะเนี่ยเข้าไปกำกับทุกข้อก็ทําให้มีพลังในการที่จะน้อมพระทัยไปต้องการผลคือต้องการตามให้แจ้งเกิดต้องการสะพัดผลคนนั้นขคนนั้นดูแล้วคล้ายๆกับเราไปในะที่ใดที่หนึ่งนะฮะ ก็เดินไปหรือว่าขับรถไปก็ตามเพื่อจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พยายามไปจนถึงสิ่งนั้นได้เห็นสิ่งนั้นแล้วก็พยายามไปจะดูจุดอื่นไปเรื่อยเรื่อยจนมาถึงสุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถสัมผัสธรรมะระดับนั้นๆได้คำว่าอายตนะในทีนี้ก็หมายถึงว่าชีวิตยังมีอยู่หรือว่าตาจะมุ่งึงกายใจเนี่ยยังไม่อยู่อยตนะภายในภายนอก หรือว่าสิ่งนะสิ่งซึ่งทรงมุ่งหมายสิ่งที่ทรงมุ่งหมายจะสัมผัสก็ยังปรากฏอยู่และจากนั้นก็ไปแสดงถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทางจิตในสภาพประไทยตรงนี้มันก็อยู่ในลักษณะของสมาธิที่หนักแน่นไม่วันไว้แล้ว อย่างรับสั่งเล่าแก่กัณฑโพ ธ, ธิราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมารเหล่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นทีนี้อน้อมไปในเรื่องอะไรล่ะลักษณะ จ, จิตที่มันฝึกเป็นสมาธิอย่างเนี้เหมือนกับเอาน้ําเข้าไปอยู่ในในในสายยางน่ะนะ เราก็เวียงไปนั้นไปนี้ไปโ น, น้นก็าทำได้สารพัดแล้วแต่เราจะเวี่ยงไปใช้ในเรียงในจิตที่เรียกว่ากรรมนิยคือใช้งานได้จิตตัวนี้มันอยู่ในใช้งานได้จะสงบก็ได้จะใช้ปัญญาก็ได้จะใช้ระลึกก็ได้จะใช้ปิดกั้นกระแสกิเลสก็ได้เพราะว่ามันมีธรรมะที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ธรรมะทั้งหลายเนี่ยให้ลองสังเกตแต่มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันถ้าเราฝึกฝึกเกี่ยนชำน้ชำนานแล้วตรงนี้ใช่อย่างนี้ตรงนี้ใช่อย่างนี้ตรงนี้ใช่อย่างนี้แล้วก็สอดรับกับสถานาการณ์ในกรณีดังนั้นก่อรับสั่งล่านะนี่เป็นพระพุทธตําบัตัดล่าเองท่านฟังเราสังเกตเราตามปกติพระเราไม่เคยเออกมาพูดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะท่านที่เข้าถึงอภิญญาก็าเรียกว่าเป็นอิทธิวิสัย เป็นวิสัยของท่านที่มีฤทธิ์คือประสบความสาเร็จในการฝึกปรือมาเป็นอย่างดีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นให้ลองสังเกตอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามคือถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยดูกายากีธาแต่ก่อนเขาฝึกปรืออย่างดีไม่ว่าจะเล่นสนุกเกอร์จะตีกอล์ฟใจทศกีธาทั้งหลายยิมนาติกบัลเล่อะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเล่นเนี่ยตลอดถึงผ่าผลสารพัดที่เขาเล่น ถามว่าเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะแล้วมีคนอื่นเขาทาได้ไหมก็ทําได้บางคนเฉพาะที่ฝึกมาอย่างดีเอาดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยโมอเตอร์ไซค์ไต่ถางอย่างเงีย้ยคนขี่โมอเตอร์ไซค์ได้เยอะแต่ถามว่าต่ายถางได้สักกี่คนคนนี้ต้องฝึกมาชำนิชานาญเป็นพิเศษแล้วก็ทํำได้เป็นพิเศษพวกกายกรรมทั้งหลายพวกอะไรต่อไรพวกนี้ที่เรียกว่าเป็นกายกรีธา ทีนี้ของพุทธเจ้านั้นเป็นจิตกิริาคือจิตนี่มันมีพลานุภาพเหนือกายตั้งเยอะแยะเลยทางวิทยาศาสตร์เองก็ยังบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยถ้ารวมขึ้นมาได้มีพลังมหาศาลสามารถจะผิดระเบิดปราหนูได้หนึ่งลูกแล้วก็ทัดหยดท่ลมนี้ยอกให้พังไปได้ทั้งทั้งเมืองเลยก็เป็นการยกตัวอย่างนะฮะเพราะว่าจิตมันพัฒนาไปเนี่ยไม่คิดทาลายใครหรอกมันจะทาลายกิเลสเท่านั้นเอง เพราะ ง, งาั้นท่านที่เข้าถึงจุดนี้มันเป็นเป็นอภินยาอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าลักษณะนี้เป็นพวกอภิญญาอภิญญามันก็มีมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจที่สามารถจะนั่งอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็ถอดกายทิพย์ขึ้นไปปรากฏในที่ใดที่หนึ่งได้ตามปรารถนาด้วยเวลาที่เรียกว่าเหมือนคู่แข่งข้าเหยียนแขนออก เร็วจนจนว่ากําหนดไม่ทันกันเลยไปพับเดียวนะเราจัดการทําอะไรต่างๆได้แล้วก็กลับมาซึ่บางครั้งเราเห็นเลยนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโดยมโนโปยิทธิ์บางทีก็ เ, เป็นอิทธิฤทธิเนเนแนวอิทธิฤทธินั้นจะปรากฏเป็นพระองค์จริงเพราะว่าจะต้องทํางานทําการต่างๆจะต้องแนะนําสั่งสอนนะเช่นว่าเสด็จไปทรมานพระองค์คุริมานเนี่ยมันห่างกันตั้งร้อยห้าสิบโยชนะฮะ วัดประเทศตะวันกับที่โจนองริมานอยู่มันห่างกันลิบอยู่โน่นทางด้านปากีสถานนั่นนะอยู่ตากกศิลานแล้วก็เข้ามาบริเวณในแควนเนี่ยสาวัถีนี่แหละแต่ว่ามันไกลไกลถึงร้อยห้าสิบโจทย์พระเจ้าไปแพทย์ใหญนั่นคือไปในอิทธิวิทธิเพียงแต่ว่าตรงนี้มันคนที่เห็นเนี่ยส่วนมากเป็นท่านที่ได้อภิญญาแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกับปัญญาที่ครบทั้งหกนะหมายความว่าท่านก็ทําได้อะเป็นธรรมดาสําหรับท่านเหมือนนกบินไปทั้งฝูงเนี่เป็นธรรมดาสำหรับนกปลาดําอยู่ในน้ําได้เป็นฝูงก็เป็นธรรมดาสำหรับปลาพวกนี้จะเป็นจิตตะกี้ถาที่ท่านฝึกมาอย่างดีแล้วก็เป็นเฉพาะตัวนะเป็นเรื่องสัมผัสตรง เราก็เห็นกระบวนการก็งตงทำบ้านในเอฮิปัสติโกควรเชิญชวนมาดูม า, ดมาชมมาพิสูจน์ตรวจสอบมีข้อแม่นะต้องโอปันนยกโกคือนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ผลนั้นจะเป็นปัจจตังคือเฉพาะตัวบุคคลนั้นเพราะรับสั่งเล่าวพวกอิทธิวิธิปนี้เป็นอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้ฤทธิ์เตี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการเจริญกสิณเจริญดิ่น้ำลงไฟอากาศอะไรแต่ละก็แล้วแต่กสิณอะไรนะแต่ว่า เออพวกเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ใช้กสินควบได้เจนสมมติว่าสามารถให้ไฟพุ่งมาจากด้านหนึ่งเช่นว่าไอ้ไฟพุ่งออกมาจากพระเนธด้านหนึ่งแล้วก็น้ําพุ่งออกมาจากพระเนธด้านหนึ่งอะไเนี่ยือจาะหูด้านหนึ่งอยูหูด้านหนึ่งก็ออกมาเป็นน้ํามาดับไฟอะไรเนี่ยคือใช้กสินควบก็เรียกว่าเตโชกสินกับอโปกสินนี่ควบกันพระเจ้าองค์เดียวทําได้ ที่เราเคยรู้เรื่องเรื่องยมกปฏิหารยมกก็คือคู่นะฮะปฏิหารคู่ทำเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการแสดงจริงๆคือคนตรงนั้นก็เห็นจริงๆและแม้แต่การแสดงโดยปลูกต้นไม้คันถามะพรุด ก, ก่อนจะแสดงยมกปฏิหารก็ปลูกขณะนั้นต้นคันทามะพรุด ก, ก็โตพวดไปในขณะนั้นเหมือนกันแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลกิ่งใหญ่ห้ากิก่ง แล้วก็มีดอกผลเกินไปหมดกะพวกคนต่างศาสนาเขาไม่เห็นนะก็ามาเห็นเขาก็ทึ่งอัศจรรย์ตกใจบางคนก็ยอมไปเลยคนก็หนีไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นการแสดงเพื่อทรมานนักบวชนอกศาสนาที่ไปถ้าพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารแข่งกันก็ในที่สุดคนเหล่านั้นก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีทีนี้พวก พวกคนที่เขาเป็นกลางๆเนี่ยเขาเขาพบเห็นก็ยกย่องชื่นชมแล้วก็อันมาเคารพนับถือระทธศาสนาก็เพิ่มศาสนกได้เยอะในคราบ น, นั้ น, นก็รับสั่งล่าว่าพิธูตั้งหลายถ้าเราหวังว่าเราพึงมีอิทธิวิธีมีประการต่างๆผู้ดเดียวริ์เรีวความสาเร็จนะมันเป็นผลเหมือนกระทศรีธาเหมือนกับขับรถไตถังอะไรเนี่ยนะฮะ แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนลอยไปในที่ต่างๆได้ตามต้องการแต่ว่า น, นี้เป็นกระบวนการกองกระสินเรื่องบันยาวนะเรื่องมันยา ว, นะยาวถ้าเราไปศึกษารายละเอียดจริงๆก็ต้องไปดูที่อิทธิวิทะนิเทศคี่ท่านพูดเรื่องฤทธิ์สิบประเภทเอาไว้วิจิตพิดารามากนะแล้วก็กรรมวิธีลำดับขั้นตอนน่จะเรียงไว้สมบูรณ์เป็นเรื่องเฉพาะตัว เฉพาะตัวท่านที่ได้พิญญาขึ้นไปนะะแต่ว่าความสําเร็จเหล่านี้เราจะลืมว่าอเครื่องบินของกอดอะไรต่อะไรถึงแม้จะมันตกเนี่ยมันก็เป็นริดนะเป็นวิชามยธิธิเป็นความสําเร็จด้วยวิชาการด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการสร้างย า, งานพาหนะเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจเนื้อหาแล้วไม่ได้มีอะไรพิสดารมันเป็นธรรมดาธรรมดาของท่านเหล่านั้นท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นแหละนั้น ก็รับสั่งว่าเราพึงมีอิทธิวิธีประการต่างๆเช่นผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทําที่กําบังให้เห็นที่แจ้งทําที่แจ้งให้เป็นที่กําบังอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยทำนะฮะเคยทําพระพุทธเจ้าทําน้อยเลยซ้าไปเท่าที่พบเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยแสดงแยกพระองค์เป็นห้าเท่นั้นเองคือตอนยมก ป, ปฏิหารเนี่ยแล้วก็ เราอื่นก็เป็นสองเป็นสามสเสด็จลงที่เมืองสังกัสรัก ษ, ษรก็แสดงพระองค์เป็นสองแต่นั้นเองพระจุลปันถกเนี่ยแยกตัวเองออกมาเป็นพันยังอยู่ในยบทต่างๆแล้วท่านบอกว่าแยกเป็นพันเนี่ยถ้าเหมือนกันเนี่ยแสดงจะไม่แน่จริงต้องไม่เหมือนกันด้วยแยกออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกันนั้นเขาเรียกว่าทําคนน้อยเป็นคนมากและทําคนมากให้เป็นคนน้อย บางทีมันเป็นการผสมกลุ่มคลืนแล้วเราก็ไม่ต้อข้อสังเกตเอ๊มันหายเป็นไหนล่ะคือตามปกติเราก็อ่านไปอย่างพระพุทธเจ้าตอนโปรดพระยศศากเนี่ยพระยศศากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งนั่งนั่งพระยศศากนั่งฟังพระพุทธเทศจบแล้วพระยศศากัรู้ความผลเป็ไปโสดาบันแล้วพ่อก็มาพ่อก็ไม่เห็นพระยศก็กรวทุนถามพระพุทธเจ้าว่าประมาสัปน่าเอ็นยศกุลนบุตรเดินผ่านไปทานนี้บ้างไหม พระจารับสังว่าท่านั่งอยู่ที่นี้แหละเชรอยจะพบยาศัตว์ในที่นี้เองใจกับเชรอยนะเพื่อให้ท่านมั่นใจแต่ว่าต้องแสดงธรรมะก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อแสดงธรรมะไปเนี่ยพอท่านบนรรลุมรรคผลแล้วจะพูดกันง่ายแต่ถ้าถ้าไม่บรรลุมรรคผลแล้วมันจะเป็นอุปสรรคทําลายมรรคผลของพระยาาะสัตว์ ในในสูตรก็เทศกว่าจบพยาศาัพท์บรรลุมรรคผลเป็นพระหรันตอนนั้นก็ยังเป็นกุลบุตรอยู่เนี่ยยังยังยังไม่ได้ปวดอะไรพระเจ้าก็คลายฤติเกิดทาให้คนที่มีอยู่ไม่ให้มีคลายฤติก็ปล่อยเห็นเศรษฐีก็เห็นเศรษฐีก็บรรลุเป็นสดาบันแล้วตอนนั้นก็บอกว่าอ๋อพระยะศัพท์อยู่ตรงนี้เองแม่เขาให้มาตามให้กลับให้ชีวิตแก่แม่เติบกลับไปแม่เสียใจมากพระยะศัพท์ก็ไม่พูดอะไร ก็อ่านไปมองพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าเศรษฐีเมื่อก่อนเนี่ยยศศากาก็ควรแก่การครองเรือนแต่เดือนนี้เขาก็ไม่ควรแก่การครองเรือนแล้วเศรษฐีตั้งก็เข้าใจนะเขาบอกว่าเป็นลาภของยศศาก็ไม่พลอยนุโมทนาสาธุ ก, การตามไปด้วยนี่ก็ทรงใช้ในแนวเนี้ยที่จริงใช้บ่อยเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการสังเกตแล้วที่สังกรรม สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราไม่เข้ามาพูดตัวนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าทรงบรรลุอภิญญาที่เป็นโลกิยะก่อนที่จะจะตรุษเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภายใต้ปเรียกว่าโพชิมุนทนเจ็สัปดาห์เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับพวกตัวเนี้ยเราจะไปเจอวันเชื่อมโยงกันเองแล้วเป็นการพิสูจน์ทดสอบถึงสภาวะธรรมถึง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรตามปกติแล้วก็ยังมีการตกเถียงกระดูอีกเป็นนันมากเหมือนกันทั้งฟังทั้งหลายใต้ร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาห น, นึ่งตถานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทัวกันสวัสดี